นีมาขึ้นปัญหาต่อไปเลยนะปัญหาที่8ดอากุศลเฉทนาปัญหาพระเจ้ามิลินก็ถามปัญหาต่อไปว่าพระคุณเจ้านาเกษตพระตถาคตทรงเป็นผู้บรรลุพระสัพพัญยุตยานเผาอากุศลได้ทั้งหมดหรือหรือว่าทรงเป็นผู้บรรลุพระสัพพัญยุตยานเมื่อยังทรงมีอากุศลเหลืออยู่ หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าแบบชนิดที่ว่าอกุศลไม่เหลือเลยหรือว่ายังเหลืออกุศลอยู่บ้างพระพุทธพระนาคเกษนก็ตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้บรรลุพระสัพพัญญุตยานเผาอกุศลได้ทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงมีอกุศลเหลืออยู่เลย พระพุทธเจ้าไม่มีอกุศลแม้แต่นิดเดียวทีนี้ไอ้รับที่ของพระเจ้ามิลินเนี่ยเขามีอยู่ว่าทุกทั้งหมดนี่เกิดจากอากุศลนะเขาถือว่าทุกทุกขากายยวิญญาณ น, นี้เกิดจากอากุศล น, นั้นปัญหาเขาก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าพระตถาคตทรงเกิดทรงเกิดทุกขเวทนาทางกายหรือไม่คือพระพุทธเจ้ามีความเจ็บปวดทางร่างกายไหมขอถวายพระพรใช่ พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเกิดทุกขเวทนาทางกายคือร่างกายของพระองค์เนี่ยเจ็บปวดเหมือนกันเช่นที่กรุงราชครึกเนี่ยนะพระบาทข้างหนึ่งของพระตถาคตถูกสะเก็ดหินกระทบเอาอีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็เกิดพระอาพาโรคบิดคือท้องเสียอีกครั้งหนึ่งหมอชีวกได้ทําการคัดพระโลหิตในผวรกายที่ใครๆทําให้ฉีกขาดไม่ได้คือพระองค์อพระ หมอชีวกผ่าตัดเนี่ยนะพงค์ก็เจ็บเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดพระอาพาโรคลมพระเถระผู้เป็นอุปถาค ก, ก็ได้เที่ยวหาน้ำร้อนมาถวายก็ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็มีทุกขากายญาวิญญาณเหมือนกันก็ยอมรับว่าใช่พระพุทธเจ้ายังมีความทุกข์ทางร่างกายอยู่พระเจ้ามิลินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้า ถ้าหากว่าพระตถาคตเจ้าทรงเป็เปนผู้บรรลุพระสัพพัญญุตยานเผาอากุศลได้ทั้งหมดแล้วจึงบรรลุพระสัพพัญญุตยานจริงไซถ้าอย่างนั้นคำพูดที่พูดว่าพระบาทข้างหนึ่งของพระตถาคตถูกสะเก็ดเห็นกระทบเอาหรือคำที่พูดว่าครั้งหนึ่งพระองค์นี้ทรงเกิดพระอาพาธโรคบิดและก็กล่าวอีกว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเกิดพระอาพาธ โรคลมดังนี้ก็ต้องเป็นคาพูดที่ผิดถ้าหากว่าพระบาทของพระตถาคตถูกสะเก็ดหินกระทบจริงครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเกิดพระอาพาโรคบิดจริงอีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็เกิดพระอาพาโรคลมจริงแล้วถ้าอย่างนั้นคำพูดที่ว่าพระตถาคตทรงเผาอากุศลได้หมดแล้วจึงบรรลุพระสัพพันญุตยานดังนี้ก็ย่อมเป็นคาพูดที่ผิด คือคือลัทธิของเขาอย่างที่กล่าวว่าทุกขากายวิญญาณทุกชนิดถือว่าเกิดจากอากุศ ล, ลจิตนะคือเกิดจากอากุศลขณะนั้นจึงเกิดทุกขากายวิญญาณนะลัทธิของพระเจ้ามิลินเขาเชื่อว่าอย่างนั้นก็เลยตั้งเป็นคำถามว่าพระคุณเจ้าเวนกรรมเสียเท่านั้นเวทนาก็หามีได้ไหม เวทนาทั้งหมดนั้นล้วนมีกรรมเป็นมูลเวทนานั้นะ่ะมีได้เพราะกรรมเท่านั้นปัญหานี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดเนี่ยนะอันในอั ธ, ธกถาจึงอธิบายว่าที่คำของพระเจ้ามิลินที่บอกว่า พระคุณเจ้าเว้นกรรมเสียเท่านั้นเวทนาก็หามีได้ไม่เวทนาทั้งหมดล้วนมีกรรมเป็นมูลความว่าเว้นกรรมคืออกุศลกรรมและอกุศลกรรมเสียอย่างเดียวเวทนาทั้งหลายจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุเบคาเวทนาก็ตามก็หามีได้ไม่เวทนาทั้งหมดทุกอย่างล้วนมีกรรมเป็นมูลคือเป็นรากเง้าทําให้ผุดโผลคือทําให้เกิดหรือว่าเป็นมูลคือเป็นเหตุที่เป็นประธาน ก็พระอาพาธคือความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายของพระตถาคตเป็นทุกขเวทนาย่อมมีได้เพราะอากุศลกรรมเพราะฉะนั้นพระตถาคตยังมีอกุศลกรรมอยู่ยังทรงเผาคื อ, อยังละยังละอกุศลไม่หมดเพราะยังละอกุศลได้ไม่หมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงเจ็บป่วยอันนี้เป็นความเห็นของพร ะ, ะรพระเจ้ามิลินเนี่ยนะ ในหน้า145ก็บอกว่าคําว่าอากุศลพระราชาหมายเอาอากุศลกรรมที่เป็นเหตุแห่งทุกขเวทนาเนี่ยนะหมายความว่าเขาถือว่าไอความทุกข์ทางร่างกายของพผู้โดยเจ้ามันเกิดจากอากุศลเกิดจากอากุศลทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นพระสัพพันยูที่ยังละาอากุศลไม่ได้ถ้าละอากุศลได้ไมันจะเจ็บป่วยหรือถ้ายังเจ็บป่วยอยู่ก็แสดงว่ายังละอากุศลไม่ได้ น, นะอธิบายให้ฟังหน่อยเถอะเขาว่างันพระคุณเจ้า นนะช่วยอธิบายหน่อยเถอะพนาคเสณก็บอกว่าขอถวายพระพรเวทนาทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นเป็นมูลก็หาไม่ความเจ็บปวดทั้งหมดไม่ได้เกิดจากกรรมนะทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เวทนาทุกชนิดเกิดจากกรรมหมดพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนนขอถวายพระพรเวทนาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุแปประการเวทนาคือความเจ็บปว่วยหรือโรคทั้งหลายเนี่ยนะ เกิดเพราะเหตุ8ประการซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายมากมายได้เสวยเวทนาคือความเจ็บป่วยเป็นต้นเพราะเหตุแปดอย่างอะไรบ้างขอถวายพระพรเวทนาบางอย่างย่อม เ, อเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่มีลมเป็นสมุทรานเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่มีดีเป็นสมุทฐาน เวทนาบางอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่มีเสมหะเป็นสมุธฐานเวทนาบางอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่เกิดจากสันนิบาตคือหนึสองสรวมกันคือลมดีเสมหะรวมกันเรียกว่าสันนิบาตเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่เกิดจากความแปรเปลี่ยนไปแห่งอุตุกนะ็คืออุณหภูมิภายนอกมันเปลี่ยนไป เวทนาบางอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะเป็นเวทนาที่เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมอเวทนาบางอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่เกิดจากความพยายามความพยายามของตนก็ตามความพยายามของผู้อื่นก็ตามนั่นแหละเวทนาบางอย่างย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวทนาที่เกิดโดยเป็นวิบากของกรรมขอถวายพระพรมหาบพิษสัตว์ทั้งหลาย มากมายย่อมเสวยเวทนาเพราะเหตุแปดเหล่านี้อังเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยเนี่ยนะมีตั้งแปดอย่างในแปดอย่างนั้นบุคคลเหล่าใดกล่าวแต่ว่ากรรมย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปฏิเสธเหตุเจดอย่างคําพูดของบุคคลเหล่านั้นก็นับว่าผิดคือหมายความว่าเหตุมันมีตั้งแปดอย่างใช่ไหมกรรมเนี่ยหนึ่งในแปด แล้วเอะอะยกให้แต่กรรมหมดเอะอะยกให้แต่กรรมหมดเนี่ยคพูดนั้นใช้ใช้ได้ไหมถูกต้องไหมก็บอกไม่ถูกต้องหรอกเนี่ยนะอย่างบางคนอย่างสมัยใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเจ็บป่วยอาจจะมีจิตเป็นสมุทฐานโทษแต่กรรมเกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานก็โทษแต่กรรมไม่เคยออกกําลังกายแต่พอสมก็โทษกรรมคือเอะอะทุกอย่างโทษกรรมไปหมดเลยเนี่ยนะไอย้ยงก็นับว่าผิดนับว่าไม่ถูกต้อง มีคำอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยที่บอกว่าอย่างความเจ็บป่วยที่เกิดจากความพยายามเนี่ยนะเอ่อขอการบริหารไม่สม่าเสมอก็เช่นการบริหารไม่สม่าเสมอไม่สมควรเช่นผลาดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอนั่งเกินไปอนนะันั่งเกินนอนน้อยเป็นต้นหรือใช้กําลังเกินไปแบกของหนักมากเกินไปเที่ยวไปในเวลาไม่สมควร ไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมถูกสัตว์เสือคลานมีงูเป็นต้นขบกัดเอาหรือว่าถูกแสงแดดแผดเผาถูกลมแรงกล้าพัดกระทบมากเกินไปเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเกิดจากการบริหารที่ไม่เหมาะสมก็เป็นเหตุแห่งความเจ็บป่วยอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากความพยายามของผู้อื่นที่เกิดจากความพยายามก็คือความพยายามของผู้อื่นเช่นผู้อื่นสำคัญว่าเป็นโจรก็จับตัวไปทรมาน หรือเกิดจากความพยายามของตนในคราวที่ใช้มือถอนเส้นผมเพื่อปรลงผมบวชเป็นบนรรปชิตในลทัทธิเดรธีเราบางคนเนี่ยบอกว่าเกิดจากความพยายามเช่นถูกซ้อมถูกเตะถูกกระเทืบเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเกิดจากความพยายามโทษให้กรรมหมดก็ไม่ได้หรือบางคนก็บอกว่าเกิดในการทรมานกายพวกลทัทธิเดรธีบางแห่งถือว่าการนอนบนหนามทาให้ตัวเองบริสุทธิ์เนี่ยนะ หรือคราวใช้ศาสตราก่าตัวตายดังนั้นความทุกข์เหล่านี้เนี่ยเราจะไปโยนให้ว่าเกิดจากกรรมทั้งหมดไม่ได้ น, นะความทุกข์เหล่านี้เกิดจากความพยายามอย่างสุดท้ายที่บอกว่าโดยวิบากของกรรมก็คือโดยวิบากคือผลของอกุศลกรรมเวทนาที่เกิดจากเหตุแปดอย่างเหล่านี้พระเถระหมายเอาทุกขเวทนาทางกายเป็นสําคัญเนี่ยนะความทุกข์กางร่างกายเนี่ยเกิดจากเหตุ8ดอย่างเช่นลม นนะลมหรืออะไรอีกน้ำดีเสมหะหรือว่าทั้งสามอย่างรวมกันหรือว่าอุตุภายนอกอุณภูมิภายนอกร้อนเกินไปเย็นเกินไปเป็นต้นเนี่ยเปลี่ยนไปการบริหารร่างกายที่ไม่เหมาะสมความพยายามของตนและผู้อื่นแล้วก็อันหนึ่งก็คือเกิดจากกรรม ความจริงในทางพระพิธรรมทุกขเวทนาทางกายล้วนเป็นวิบากของอกุศลกรรมมีการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์เป็นต้นตัวทุกขกายวิญญาณจริงๆอ่ะใช่เกิดจากอากุศลจริงแต่เป็นอกุศลในอดีตแต่คำพูดที่พระเถระบอกว่าคำพูดของใครที่ยืนยันว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมหมดที่พระนาเสบอกว่ามันผิดอ่ะเพราะหมายเอาเหตุที่เป็นประธาน หมายเอาเหตุที่เป็นประธานนะนะอย่างเช่นในบรรดาเวทนาเจ็ดอย่างที่เหลือเนี่ยเวทนาที่มีลมเป็นสมุทฐานย่อมเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะลมในกายกำเริบอย่างสมมติลมตีขึ้นลมตีขึ้นลมตีขึ้นลมตีลงเป็นต้นเนี่ยนะธาตุลมในร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยเกร็งไปทั้งหมดทั้งร่างกายไปหมดเลยเนี่ยถามว่าเราอ้างอากุศลกรรมได้ไห บุคคลแม้ได้ทำอกุศลกรรมไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าลมภายในไม่กำเริบเวทนาที่ชื่อว่ามีลมเป็นสมุธฐานก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีลมนะเพราะเวลารักษากตัดแค่ลมก็ถือว่าหายแล้วเนี่ยนะเราไปโยนให้กรรมทั้งหมดก็จะไม่มีการรักษาอะไรถ้าไม่มีถ้าเราทุกคนโยนให้กรรมหมดการรักษาจะไม่มีในโลกนี้แต่เนื่องจากว่ากรรมเนี่ยมันจะให้ผลต่อเมื่อมันไปบวกกับอย่างอื่นเช่นมันไปบวกกับลมเป็นสมุธฐาน แล้วอกุศลจึงให้ช่องอย่างเวทนาเนี่ยมันคือคือเช่นทุกขากายวิญญาณเนี่ยองประชมที่จะทำให้มันมีคืออะไรบ้างหนึ่งอาศัยกายสองโผฏฐพะสตัวกายวิญญาณสี่อย่างประชมการเรียกสมอย่างประชมการเรียกภาษะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีนี้เราจะไปโยนให้ไอโยนให้ทุกข์ว่าโอ้ยเจ็บปวดครั้งนี้ครั้งนี้ทุกครั้งทุกครั้งมันเกิดจากกรรมเกา่า แต่จริงๆอ่ะมันจะต้องมีทั้งวัตถุมีทั้งอารมณ์ใช่ไหมตัวอารมณ์นี่คือตัวสําคัญคือโพธพารมณ์ีไหมโพธัพารมีนี่คือตัวที่สําคัญถ้าเราไปโทษให้แต่กรรมเก่ามันจะแก้ที่โพธพารมไหมถ้าไม่มีโพธพาอันนั้นทุกขากายญาณญยาณจะมีไหมไม่มีหรอกมันเมื่อแก้วายโพธัพารม์ทุกขากายญาณิยาณมันก็หายไป ถ้า บ, บางอย่างแก้เตโชโผดถับ พ, พารลมทุกขากายวิญญาณก็หายไปแก้ปฐวีโผดถับ พ, พารมทุกขากายวิญญาณก็หายไปเนี่ยนะอย่างเช่นใครนั่งบอกโอ้ยนั่งไม่ยอมพลิกนั่งติด ๆ, ๆ, ๆกันจนสักสิบชั่วโมงเนี่ยนะแล้วมันเจ็บปวดมากเราแบบไม่ยอมพลิกเลยนะถามว่าเราจะโทษกรรมเก่าใช่ไหมโทษกรรมเก่าหรือไม่ ก็โทษไม่เปลี่ยนอริยาบทให้มันเหมาะสมนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นส่วนอดีตเนี่ยนะกรรมที่เป็นส่วนอดีตที่เป็นเหตุเนี่ยนะก็ถือว่าเหตุอนันถือว่าเป็นเหตุที่เข้ามาผสมเท่านั้นแหละแต่ตัวปัจจุบันเนี่ยคือเวทนาที่มีลมเป็นสมุฐานเป็นต้นจัดเป็นเหตุที่เป็นประธานลมนั่นแหละเป็นเหตุที่เป็นประธานกรรมนับว่ายังเป็นเหตุไกล ส่วนลมนับว่าเป็นเหตุใกล้อย่างเช่นทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอาศัยกายกับโพธพะจึงเกิดกายวิญญาณสอย่างประชุมกันเป็นผัสสะพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่บอกโอ้ยกรรมเก่านะทุกอย่างโยนให้กรรมเก่าหมดพระองค์จะไม่แสดงแบบนี้อาศัยกายกับโพธพะเกิดกายวิญญาณธรรมะสอย่างประชุมการเป็นผัสสะผัสส ะ, สะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาจึงอยู่เวทนานั้นชาติวิบากก็จริงแต่ไม่ใช่โยนให้กรรมเก่าทั้งหมดเลยไม่ใช่ลักษณะนั้น พันตรงนี้เน้นพิเศษก็คือเน้นเหตุที่เป็นประธานเนี่ยนะพันเวทนาที่เหลือก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลใดกล่าวให้ผู้อื่นสําคัญผิดโดยในเป็นต้นว่าอาคุศลกรรมเท่านั้นย่อมเบียดเบียนศาสตร์ทั้งหลายโดยการสร้างทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นโดยไม่เหลียวแลถึงเหตุอย่างอื่นถือเอาแต่กรรมเป็นประมาณคําพูดของบุคคลนั้นย่อมเป็นคําพูดที่ผิดพลาด เป็นเหตุให้กำหนดปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยผิดพลาดคือถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยนะถือว่าทุกขากายญวิญญาณทุกชนิดเกิดจากกรรมหมดแล้วถามว่าเราจะทำยังไงอ่จะมีการปฏิบัติชอบไหมจะตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติไหมทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าหมดเรียกว่าลทัทธิอะไรนะปุพหะปุพหาเหตุกกะเนี่ยนะก็คือทุกอย่างกรรมในอดีตเป็นตัวจัดแจงเราหมดทุกอย่างหมดเลย เราจะทำไงพวกนี้ก็จะไม่มีการปฏิบัติอะไรหรอกเพราะถือว่าสุขทุกอะไรทุกชนิดเกิดแต่กรรมเก่าเนี่ยนะฮะรับที่กรรมเก่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตําหนิแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่านะแต่ถ้าถือเอาแต่กรรมเก่าทุกประเภทก็เลยทงก็เกินไปเนี่ยนะซึ่งมาดูคําอธิบายที่พระนาคเสสน์นอธิบายเพิ่มอีกว่า คือพระเจ้ามิลินถามต่อไปว่าพระคุณเจ sí. ้าหน่าเกษณเวทนาที่เกิดจากลมก็ดีเวทนาที่เกิดจากน้ำดีก็ดีเวทนาที่เกิดจากเสมหะก็ดีเวทนาที่เกิดจากสันนิบาตก็ดีเวทนาที่เกิดจากความเปลี่ยนแห่งอุตุก็ดีเวทนาที่เกิดจากการบริหารร่างกายไม่สม่าเสมอก็ดีเวทนาที่เกิดจากความพยายามก็ดีเวทนาเหล่านั้นทั้งหมด ก็ล้วนตั้งขึ้นเพราะกรรมทั้งนั้นแหละเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเกิดได้เพราะกรรมอย่างเดียวนะพระราชาโยนให้กรรมอย่างเดียวพวกนั้นธนาเกษตก็ตรัว่าขอถวายพระพรมห า, าพิฏฐถ้าหากว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนมีกรรมเป็นสมุทฐานอย่างเดียวไซความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นก็น่าจะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันอ่า คือถ้าหากว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมหมดใช่ไหมความเจ็บป่วยมันก็ต้องอย่างเดียวกันหมดสิมันทําไมมันต้องความเจ็บป่วยจึงต้องแตกต่างกันล่ะใช่ไหมถ้าสมมติถ้ยกให้กรรมเก่าหมดมันน่าจะปวดเหมือนกันหมดอาการเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดและทุกคนป่วยจะต้องป่วยเหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวขอถวายพระพรลมเมื่อจะกําเริบกําเริบได้เพราะเหตุสิบอย่าง 10อย่างคืออะไร1เย็นเกินไป2ร้อน3หิว4กระหาย5บริโภคเกินไป6 ก, การยืนนานเกินไป7ความเพียรมากเกินไป8วิ่งเร็วเกินไป9ความพยายามเกิดจากความพยายามไม่ว่าของตนหรือของผู้อื่นข้อที่10ก็บอกว่าเกิดจากกรรมในเหตุ10อย่างนั้นเหตุ9อย่างเนี่ยไม่ใช่เหตุในอดีตไม่ใช่เหตุในอนาคตเป็นเหตุที่เกิดในปัจจุบันรอบๆตัวนี่แหละ เพราะฉะนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นแดนเกิดนะเราไปโยนให้กรรมทั้งหมดได้ยังไงเพราะงั้นะก็อะไรแล้วแล้วเก้าอย่างที่เหลื อ, อไปไว้ไหนเนะขอถวายพระพรดีเมื่อจะกำเริบย่อมกำเริบเพราะเหตุสามอย่างคือหนาวเกินไปเรียกว่าเย็นเนี่ยนะสองร้อนเกินไปแล้วก็กินของสแสลงดีก็กำเริบ เสมหะกำเริบกำเริบด้วยเหตุสามอย่างคือหนึ่งเย็นสองร้อนสามเพราะว่าของที่รับประทานเข้าไปก็คือของที่กินดื่มเข้าไปขอถวายพระพรลมก็ดีน้ํา ด, ดีก็ดีเสมหะก็ดีกำเริบเพราะเหตุเหล่านั้นเหล่านั้ น, น, นก็เป็นของเจือปอนการชักเอาเวทนาที่เป็นของของของของตนมาอันนี้เขาเรียกว่าไข้สัน่ิบาทนั่นเอง ขอถวายพระพรเวทนาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงแห่งอุตุย่อมเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงแห่งอุตเช่นหน้าหนาวหน้าร้อนเป็นต้นอย่างต่อฤดูโดยมากจะป่วยกันใช่ไหมเช่นจากหนาวไปจากหน้ า, น า, าหนาวไปหาหน้าหน้าร้อนเนี่ยจะป่วยหรือจากหน้าร้อนไปหาหน้าฝนก็จะป่วยปลายฝนต้นหนาวก็จะป่วยอันนี้ก็เพราะอุตเปลี่ยนไป เวทนาที่เกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมอก็เกิดขึ้นจากการบริหารไม่สม่ำเสมออะไรนะเช่นเดินปีนเขาใช่ไหมเดินปีนเขาซะถ้ากลับมานอนนะ่เป็นยังไงบ้างปีนแบบแบบเชนิดที่เราไม่เคยปีนเขามาก่อนเนี่ยนะหรือเวทนาที่เกิดจากความพยายามย่อมมีได้เพราะการกระทํเนี่ยนะถูกเขาเตะมาเป็นต้นเนี่ยถูกเขาซ้อมถูกเขานวดซะจนปวดเมื่อยไปทั้งตัวระบมไปหมดเลยอย่างง หรือวิบากของกรรมเนี่ยนะเช่นข้อสุดท้ายบอกว่าวิบากของกรรมมีอยู่เวทนาก็เกิดโดยวิบากของกรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะเป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในกาลก่อนขอถวายพระพรเวทนาที่เกิดโดยเป็นวิบากของกรรมจัดว่ามีเพียงเล็กน้อยดังกล่าวมานี้แลในข้อความที่ว่านั้นพวกคนผ่านทั้งหลายย่อมคิดเลยเถิดไปว่า เวทนาทุกอย่างล้วนเกิดโดยเป็นวิบากของกรรมดังนี้ไอเรื่องของกรรมเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมจริงๆแล้วเนี่ยยกเว้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระพุทธญาณแล้วใครๆก็ไม่อาจกําหนดกรรมนั้นได้หรอกอนะแล้วใครรู้จริงว่าทํากรรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นเลยนะเพราะฉะนั้น อ, อย่างอย่างระบบทางแพทย์สมัยใหม่ก็อธิบายได้ดีอยู่แล้วโรคบางอย่างมันเกิดจากเชื้ออะไรทั้งหลายและเนี่ยเขาจะไม่โยนให้ ให้กรรมไปหมดบางละที่มันก็โยนให้กรรมไปสมหมดแต่ว่ า, าทุกขากายญวิญญาณมันก็มีกรรมแทรกอยู่ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดจนยกมาเป็นข้ออ้างทุกอย่างโยนไปให้กรรมทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าคนที่รู้รายละเอียดในเรื่องกรรมดีจริงก็คือพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเกิดจากกรรมจริงๆ คำว่ายกเว้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระพุทธญาณแล้วใครๆก็ไม่อาจากําหนดกรรมนั้นได้หรอกอธิบายเพิ่มเติมว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระพุทธญาณคือพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นทรงทราบถึงกรรมทั้งหลายต่างๆกันที่สัตว์ได้ทําไว้ในการละก่อนโดยนิยะว่าอาพาธความเจ็บป่วยอันเป็นทุกขเวทนาของบุคคลเนี่ยเกิดเพราะกรรมอะไรทําไว้ตั้งแต่ครั้งไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะ พยากณรได้ทั้งหมดบุคคล น, นกนี้ไม่อาจจะกำหนดรู้ได้ไม่อาจกำหนดแยกแยะกรรมแต่ละอย่างและเวทนาแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเหล่านั้นได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ควรอ้างเฉพาะแต่กรรมถ้าบอกว่ากรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนการถ้าอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าโยนให้กรรมไปทั้งหมดก็ก็ถือว่าเสียหา ย, ยานะ อันนี้มายกข้อความที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เรื่องอพระพุทธเจ้าถูกสะเก็ดหินที่พระเทวทัตเอามากระทบนี น, นะจริงอยู่ว่ากรรมที่พระองค์เคยเบียดเบียนเบียดเบียนใครเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะที่ที่ฆ่าญาติออดีตชาติที่ฆ่าญาติะกรรมมานั้นนี่แหละทำให้สะเก็ดหินมันกระทบได้รับความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นทุกคนจะโยนให้กรรมทั้งหมดไหมเพราะกรรมเก่าของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เขาจะเรียกกันอย่างนี้ไหมเขาจะไม่พูดกันแบบนี้หรอกอย่างยกตัวอย่างพระพระนาคเกษก็เลยแก้ว่าขอถวายพระพรที่ข้อที่ว่าพระบาทข้างหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกสเก็ดเห็นกระทบเอาใดข้อนั้นหาใช่เวทนาที่มีลมเป็นสมุทฐานไม่หาใช่เวทนาที่มีดีเป็นสมุทฐานไม่หาใช่เวทนาที่มีเสมหะเป็นสมุทฐานไม่หาใช่เวทนาที่เกิดจาก สันนิบาตไม่หาใช่เวทนาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแห่งอุตุไม่หาใช่เวทนาที่เกิดจากบอกการบริหารที่ไม่สม่ำเสมอไม่หาใช่เวทนาที่เกิดจากวิบากของกรรมไม่ไอตัวหินเนี่ยมันเกิดจากอะไรเอ่ะหินที่มากระทบเนี่ยนะตัวตัวหินที่ทําให้มากระทบนี่เกิดอะไรเกิดจากกรรมใช่ไหมก้อนหินมันเลยลอยมาเฉยๆแต่ทว่าก้อนหินอันนั้นอ่ะเป็นเวคือว่า ก้อนหินเป็นเหตุให้เกิดเวทนาถือว่าเวทนานี้เกิดจากความพยายามขอถวายพระพรพระเทวทัตถูกอาฆาตในพระตถาคตติดต่อกันมาหลายแสนชาติงัดก้อนหินก้อนใหญ่หนักขึ้นมาด้วยไมย้ใจว่าเราจะกลิ้งให้ตกไปโดนหัวดังนี้แล้วก็ปล่อยให้กลิ้งลงมาลําดับนั้นก็มีหินอื่นอีกสองก้อนโผล่ขึ้นมารับหินใหญ่ที่จวนจะถึงพระตถาคตก้อนนั้นเอาไว้ได้ เพราะก้อนหินเหล่านั้นมากระทบกันก็เกิดสะเก็ดหินปริออกกระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคทําพระโลหิตให้ห่อขึ้นนะก็ไอตัวสะเก็ดหินเนี่ยนะที่ที่ที่มันแตกเนี่ยมันเหมือนถ้าใครเคยเห็นก้อนหินมันลอยเนี่ยนะจะรู้ชัดเหมือนถูกยิ ง, งยิงด้วยหนังสติ๊กอะค ล, าคลายย้ายๆแบบนั้นนะ น, นี่อาจจะหนักกว่านั้น ขอถวายพระพรเวทนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะจัดว่าเป็นเวทนาที่เกิดโดยเป็นวิบากของกรรมก็ได้จะเป็นเวทนาที่เกิดจากการกระทำก็ได้ถ้าไม่มีไม่มีเวทนาอื่นนอกเหนือไปจากเวทนาทั้งสองอย่างนั้นคือตัวหินที่มากระทบไม่ได้เกิดจากกรรมตัวหินนะแต่หลังจากนั้นไปเนี่ย ทุกขากายย่าวิญญาณที่มันเกิดสืบเนื่องมาเนี่ย<ม>เหตุใกล้ๆ ก, ก็เพราะหินกระทบแต่เหตุไกลก็คือกรรมที่พระองค์ได้กระทาเอาไว้เพรา ะ, ะเหตุสองอย่างบวกกันถ้าพระเทวทัตไม่กลิ้งเห็นกรรมในอดีตจะให้ผลไหมกรรมในอดีตของพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ผลถ้ากรรมในอดีตไม่เออขอไปถ้าพระเทวทัตไม่ไม่กลิ้งเห็นเพราะพระเทวทัตกลิ้งเห็นอย่างเราเราท่านท่านทั้งหลายถ้าอยากร้องเรียกให้กรรมในอดีตให้ผลเนี่ยได้ง่ายยากไหม ไม่ยากเลยอะมันเ อ, เองเนี่ยเ็โตพัโปก๊กหนึ่งเดี๋ยวกรรมเก่ามันก็ให้ผลเียนะแค่นี้แหละหรือไม่ก็บอกโอายอยากแม่อยากจะสเสวยทุกผลแห่งกรรมเก่าดูเหลี่ยมเสาก็มีเนี่ยนะแต่เล่าให้ฟังอนนั้นไม่ได้บอกให้ไปทำานนะว่าถ้าทำจริงเนี่ยกรรมเก่าให้ผลแน่เีย น, นะเพราะะนั้นเออคือก็ว่าเหตุปัจจุบันเนี่ยสำคัญอย่างตัวโพธภารมเนี่ยมันมีสมุทฐานเท่าไหร่ โพธพารมเนี่ยนะสมุธฐานของโพธพารม์เนี่ยปัวีเตโชอาโปเตโชเนี่ยนะปัวีโพธพารม์เตโชโพธพารม์วายโผธพารม์เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีอะไรนะทานมากเกินจนท้องอืดซะจนทานผิดอย่างเงี้ยเราอาหารเป็นสมุธฐานโทษกรรมได้ไหมอันนั้นมันก็เกินไปเนี่ยนะ พันไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยสะป่วยหมดแล้วก็จิตมีปัญหาตลอดเวลาแล้วสุขภาพไม่ดีโทษกรรมได้ไหมมันก็ไม่ได้เนี่ยนะพันทุกอย่างจะไปโยนให้กรรมหมดไม่ได้แต่กรรมก็คือหนึ่งในหนึ่งในนั้นอ่ะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดจนมายกเป็นเหตุอ้างซ ะ, ซะเสียหายเลยว่างนั้นอุปมาว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าเพราะสถานที่เพาะปลูกไม่ดี หรือเพราะความเป็นเมล็ดพืชที่ไม่ดีเมล็ดพืชจึงงอกหน่อออกได้ไม่ดีฉันใดเวทนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเวทนาที่เกิดโดยวิบากของกรรมก็ได้เป็นเวทนาที่เกิดจากการพยายามก็ได้ไม่มีเวทนาอื่นนอกเหนือไปจากเวทนาทั้งสองอย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกันเนะก็เพราะอย่างของพวกนอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีของพระพุทธเจ้าที่กระทบสเก็เห็น จะเรียกว่ากรรมเก่าก็ได้จะเรียกว่าเพราะพระเทวทัตก็ได้เนี่ยนะแต่ถ้าไปโยนให้อันใดอันหนึ่งเกินไปก็ไม่ได้ขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเพราะมีที่เก็บไม่ดีหรือหรือเพราะว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีของกินจึงกลายเป็นของแสลง น, นะคว่าอาหารที่เก็บเกินอายุไขไเก็บไม่ดีก็คือเก็บเกิน นะอาหาร ท, ที่เกินอายุไขหรือเป็นอาหารที่เสียเน่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาหารที่ทานเข้าไปควรจะเป็นอาหารกลายเป็นของแสลงไปฉันใดขอถวายพระพรเวทนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นเวทนาที่บังเกิดโดยวิบากของกรรมก็ได้เป็นเวทนาที่เกิดจากการกระทำก็ได้ไม่มีเวทนาอื่นที่นอกเหนือไปจากเวทนาสองอย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพรอีกนัยะหนึ่งสำหรับพระผู้มีพระภาคหาทรงมีเวทนาที่เกิดโดยวิบักของกรรมไม่หาทรงมีเวทนาที่เกิดจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดเวทนาจากสมุทฐานที่เหลือแต่ว่าเวทนานั้นไม่อาจจะปลงพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ น, น, นคือจะเวทนาจะมาจากอะไรก็ช่างเถอะเวทนาเหล่านั้นฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ ขอถวายพระพรมหาปิฏเวทนาที่มีดีและอขอไปเวทนาที่ดีและไม่ดีเวทนาที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาย่อมประชมกันอยู่ในกายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีนี่แหละคื อ, เ, อเวทนาเนี่ยนะโดยเฉพาะในกรรมมาพบปัญจโวการภพเนี่ยนะหรือในเน้นพิเศษคือในการมมาพบเนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะมีเวทนาได้ไหมอ่านะ เพราะว่าอย่างแม้กระทั่งบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายกายนี่นะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ตาหูจมูกลิ้นกายมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีปฐวีอาโปโตเตโชและวายโยเป็นเหตุใกล้สีเสียงกลิ่นรสโพธิภพ ท, ทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้ทั้งนั้นแหละเพราะอาศัยประษาธาอ า, อาศัยกับอารมณ์กระทบกันเนี่ยเกิดวิญ ญ, ญาณเกิดภาษาและเวทนาถ้าไม่มีรูปทั้งหลายเวทนาในโลกจะมีไหม ถ้าไม่มีรูปนะจะมีความรู้สึกไหมจะมีเวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอุเบกขาไหมเพราะฉะนั้นเวทนาเหล่าใดเหล่าใดในโลกนี้เนี่ยนะจะเป็นเวทนาชั้นดีหรือชั้นเลวก็ตามมันก็เกิดในกายนี่แหละเป็นกายที่ประชมด้วยมหาพูดทั้งสีนี่แหละนะปัวีเตอปัทวีอาโปโตเตโชและวายโญเนี่ยนะปัทวีเท่าไหร่ยี่สิบอาโปสิบสอง เตโชสี่แล้วก็วาโยอีก6เวทนามันจะเกิดมันก็เกิดในกายที่ประชมไปด้วยมหาภูตรูปสังศีนี่แหละขอถวายพระพรก้อนดินที่เขาคว้างไปในอากาศย่อมตกลงมาที่แผ่นดินใหญ่นี้ขอถวายพระพรก้อนดินนั้นตกลงมาที่แผ่นดินใหญ่ได้เพราะกรรมที่แผ่นดินใหญ่ทำเอาไว้ใช่หรือไรเพราะอะไรหรือใช่ไหมเอาว่าโยนก้อนดินแล้วก้อนดินเนี่ยตกลงมาในแผ่นดินเนี่ยถามว่า แผ่นดินใหญ่มันทํากรรมไว้ใช่ไหมก้อนดินมันจึงตกใส่ลงแผ่นดินหาม่ได้พระคุณเจ้าเหตุที่ทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยนะพึงสเสวยวิบากแห่งกุศลอกุศลหามีไม่พระคุณเจ้าก้อนดินนั้นตกลงมาที่แผ่นดินใหญ่เพราะเหตุปัจจุบันที่ไม่ใช่เกิดจากกรรมนะก้อนดินตกใส่ดินเนี่ยนะมันก็มันก็เกิดจากเหตุปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมอะไรสักอย่างหรอก ขอถวายพระพรพึงเห็นว่าพระตถ า, าคตเปรียบด้วยแผ่นดินใหญ่เถิดตัวร่างกายพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับแผ่นดินใหญ่ก้อนดินที่ตกลงมาที่แผ่นดินใหญ่เพราะเหตุอื่นอันไม่ใช่เกิดจากกรรมที่แผ่นดินใหญ่ทาเอาไว้ในการก่อนชันใดคือคือตรงนี้เนี่ยน ะ, ะถามว่ากายของพระพุทธเจ้ากับกายที่ทํากรรมในอดีตมันคือตัวตัวเดียวกันไหม ถ้ายกให้กรรมเก่าและใครเป็นผู้ทำและใครเป็นผู้รับอ่ะทยโยนให้กรรมลุ่นๆเลยนะโดยที่ไม่เข้าใจระบบปัจจัยกระบวนการของปัจจัยอย่างอื่นๆเนี่ยนะงั้นก็มีผู้ทำแล้วก็มีผู้รับสิทีนี้ไอ้บางคนศึกษามันก็เลยทงอีกเอางั้นถ้าหากว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไปหมดเกิดที่ไหนดับที่นั่นแล้วใครทำและใครรับหละ่ะกัรนี้งั้นฉันทำบุญไปแล้วใครจะไปกินแทนเราอย่างเงี้ยไง พวกนี้ก็เลยทงอีกนั่นแหละคนที่แปลกในศึกษาธรรมะมันจะเข้าใจผิดได้เนี่ยมันพร้อมที่จะเข้าใจผิดได้หมดนะ่ะคือไอคนที่ไม่พยายามจะเข้าใจตามเนี่ยนะยังไงมันก็เข้าใจผิดนั้นอะไรเพราะฉะนั้นสเก็ตหินที่ตกลงมาที่พระบาทของพระตถาคตได้อะเพราะเหตุอื่นไม่ใช่เหตุที่อ่ไม่ใช่เพราะเหตุที่กรรมที่พระตถาคตทำไวในการก่อนฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะ เอออย่างที่ว่าไปเนี่ยถ้าว่าว่าถ้าพระเทวทัศนไม่กลิ้งเห็นมาใส่พระพุทธเจ้าจะเจ็บไหมก็ไม่เจ็บเนี่ยนะก็เห็นเห็นอยู่ว่าพระเทวทัศน์เป็นคนกลิ้งเห็นนะนั้นถ้าทางโลกนะหลายๆศาสตร์หลายๆแขนงเนี่ยเช่นวิ่งไปแล้วก็รถมาชนตายก็เลยโทษกรรมเก่าเป็นปัจจัยเลยนะนั้นคนขับก็ไปตามสบา ย, ยางเงี้ยทุกอย่างถ้าประสบอุบัติเหตุบอกเกิดจากกรรมเก่ามีปัญหาใครถูกอะไรแบบเกิดจากกรรมเก่าหมดอะไรจะเกิดขึ้น พุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนั้นเนี่ยนะขอถวายพระพรพวกคนทั้งหลายในโลกนี้ย่อมตัดและขุดแผ่นดินใหญ่ขอถวายพระพรแผ่นดินใหญ่ถูกคนเหล่านั้นตัดถูกคนเหล่านั้นขุดเพราะแผ่นดินใหญ่ได้ทํากรรมอะไรไหว้หรือหนาะเคยเห็นที่เขาภูเขาเประเบิดภูเขาไหมแผ่นดินไปทํากรรมอะไรมาจึงถูกระเบิดอย่างนั้นนะ หาไม่ได้พระคุณเจ้าขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นนั่นเทียวสเก็ดหินที่ตกลงไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็หาได้ตกไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงได้ทํากรรมไว้ในการก่อนไม่คือตัวก้อนหินเนี่ยไม่ได้เกิดจากกรรมขอถวายพระพรแม้พระอาพาธโรคบิดที่เกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็หาเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทํากรรมไว้ในการก่อนไหมขอถวายพระพรอาพาธ ท, ทางพระวรกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาพาธเหล่านั้นหาบังเกิดเพราะกรรมไม่ทว่าบังเกิดเพราะสมุทฐานหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าท้องเสียนี่นะก็เพราะว่าลมกําเริบไหมลมที่บีบลงเบื้องล่างมันกําเริบอะโยนให้กรรมเก่าใช่ไหม ลมที่ลมที่พัดลงนะที่บีบรัดลําไส้ให้เหมือนกับที่ทําให้ถ่ายออกมาเนี่ยกรรมเก่าใช่ไหมทําให้ลมตัวนั้นมันเกิดขึ้นไปโทษลมทั้งหมดโทษกรรมทั้งหมดไม่ได้นะเช่นธาตุลมเป็นต้นเช่นน้าดีเป็นต้นมีทั้งหลายอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งอะทำให้ท้องเสียเราไปโทษกรรมทั้งหมดได้ยังไง ขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าสู้ผู้เป็นทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลายได้พาเศษความข้อนี้ไว้ในสังยุตตนิกายโมริยะศิวกะพยากร์ว่าโปร่งตรัดกับศิวกะว่าดูก่อนศิวกะเวทนาบางอย่างที่มีดีเป็นสมุทฐานย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้ข้อที่ว่าเวทนาบางอย่างที่มีดีเป็นสมุทฐานย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้แม้เราเองก็รับรู้ว่าจริง ตามอย่างที่มันเป็นคือมันเป็นยังไงก็คือมันมีน้ําดีเป็นสมุทฐานข้อที่เวทนาบางอย่างที่มีดีเป็นสมุทฐานย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้แม้ชาวโลกก็มีการรับรู้กันว่าจริงตามอย่างที่มันเป็นทุกคนก็ก็บอกว่าเออนี่เกิดจากโรคดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากดีไอคนหนึ่งก็บอกว่าเออนี่เกิดจากน้ําดีอย่างเงี้ย ดูก่อนสิวะกะในเรื่องนั้นสมณะและและพราหมพวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลสเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกก็ตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นอ่ะมีเพราะกรรมที่ทำไวในการก่อนเป็นเหตุดังนี้ใดสมณะและพราหมเหล่านั้นชื่อว่าย่อมคิดเลยเถิดสิ่งที่เราเองก็รับรู้ ชื่อว่าย่อมคิดเลยเถิดในสิ่งที่ชาวโลกก็รับรู้กันอยู่ว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราขอกล่าวว่าพวกสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะและทิฏฐิที่ผิดพลาดนะฮะนี้ถือว่าพลาดใช่ไม่มันเกิดจากลมไปเอาวกรรมเก่านนอีกอย่างหนึ่งเวทนาบางอย่างมีเสมหะเป็นสมุทฐานเกิดในโลกเวทนาบางอย่างเกิดเพราะลมเป็นสมุทฐานเวทนาบางอย่างเพราะ สันนิบาตคือดีเสมหะและลมเป็นสมุทฐานบางอย่างเกิดจากความเปลี่ยนแปลงแห่งอุตุบางอย่างเกิดจากการบริหารไม่สม่ำเสมอสมมติว่าเราถอนฟันก็เปล่าก็บอกว่าเออเนี่ยที่ปวดฟันก็เพราะกรรมเก่าไม่เคยแปลงฟันเลยแล้วก็บอกว่าเพราะกรรมเก่าเป็นต้นเนี่ยได้ไหมนั่นก็เกินไปแล้วนะนี่ก็เหมือนการถือว่าบางอย่างก็เกิดจากความพยายามแม้ที่เกิดโดยวิบากของกรรม บางอย่างก็มีนะอย่างข้อที่8ดก็พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่ได้เกิดจากกรรมก็มีอยู่ที่เป็นวิบากของกรรมข้อที่เวทนาบางอย่างที่เกิดโดยวิบากของกรรมย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้แม้เราก็รับรู้ว่าจริงตามอย่างที่มันเป็นข้อที่เวทนาบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยวิบากของกรรมย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้แม้ชาวโลกก็รับรู้กันตามเป็นจริงอย่างที่มันเป็น ดูก่อนสิวกะในเรื่องนั้นสมณะและพราหมณ์พวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลสเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นมีกรรมที่ทําไว้ในกาลก่อนเป็นเหตุดังนี้ใดสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมคิดเลยเถิดในสิ่งที่เราเองก็รับรู้ เชื่อว่าคิดเลยเถิดในสิ่งที่ชาวโลกรับรู้กันอยู่ว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราขอกล่าวว่าพวกสมณะและพรามเหล่านั้นมีวาทะและทิฏฐิที่พลาดดังนี้อย่างผู้ที่ศึกษาพิธรรมมาดีเนี่ยนะตัวทุกขกายญาณเนี่ยนะจริงอยู่ว่าจักขูวิญญาณนี้เป็นผลของกรรมเก่าใช่ไหโสตวิญญาณเป็นผลของกรรมเก่าใช่ขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายญวิญญาณเป็นผลของกรรมเก่าใช่ ใช่หรือเปล่าบอกว่าใช่ถามว่าจากักรคูวิญ ญ, ญาณถ้าไม่มีสีเนี่ยกรรมเก่ามันจะเกิดได้ไหมถามว่าไอ้วิบากที่เราเห็นเนี่ยเราจะโทษกรรมเก่าหรือหรือว่าเพราะมีสีจึงมีการเห็นถ้าไม่มีสีจกักรคูวิ ญ, ญญาณจะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีสีไม่มีแสงสว่างจากักรคูวิ ญ, ญญาณจะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีตาจักรคูวิญญาณจะเกิดได้ไหมแล้วเราไปโยนทําไมให้กรรมเก่าทั้งหมดล่ ะ, ะถ้าไม่มีหู โสตาวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงโสตาวิญญาณเกิดได้ไหมถ้ามีหูด้วยถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงไม่มีช่องให้ให้ให้เสียงเข้ามาเนี่ยนะโสตาวิญญาณจะเกิดได้ไหมแล้วเราจะไปโยนว่าโสตาวิญญาณเกิดจากกรรมทุกชนิดอย่างเงี้ยมันจะพูดถูกไหมอย่างในบรรดาปัจใจเนี่ยนะจักรคูวิญญาณเกิดตั้งละเพราะอาศัยปัจัยเป็นสิบปัจจัย กลมวัตถุปุเรชาตปัจจัยกลมอารามณะปัจจัยกลมปกตูปะนิสยปัจจัยเมื่อมันได้วัตถุปุเรชาวัตถุปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นอารามณปัจจัยเป็นต้นปกตูปะนิสยปัจจัยเป็นต้นกรรมในอดีตจึงให้ผลถ้าไม่มีปัจจัยใกล้ๆเราเนี่ยกรรมในอดีตมันให้ผลที่ไหนเนี่ยนะมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะนั้นเราจะไปโยน์ทุกเรื่องให้กรรมหมดได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะตรงเนี้ยขั้นใครที่โยน โยนทุกอย่างให้กรรมทั้งหมดจึงเป็นบุคคลที่ผิดพลาดเนี่ยนะเป็นคนที่ผิดพลาดพระองค์บอกว่าพวกนี้เลยเถิดทั้งหมดเนี่ยนะอย่างการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรับรู้รสเป็นต้นเนี่ยมันเกิดจากประโยค่าเกิดจากอะไรตั้งหลายหอย่างบางอย่างก็บอกว่ากรรมเก่าถ้าจะให้ผลได้ต้องอาศัยอะไรอีกบ้า ง, งกาละต้องอาศัยกาอาศัยคติอาศายัอาศายอุปธิอาศัยกาละแลย ประโยคกรรมจึงจะให้ผลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากมันมีองค์ประกอบหลายอย่างบางพวกเลยปฏิเสธกรรมไปเลยอีกนะบางพวกก็เนื่องจากมันมีเนี่ยก็เพราะมีตาเพราะมีสีเพราะมีแสงสว่างมันกรรมเก่าไม่มีพวกนี้ก็เลยทงอีกปฏิเสธเหตุในอดีตไอ้บางพวกเขเอาแต่เหตุในอดีตไม่เอาเหตุปัจจุบันแต่พระเจ้าก็สอนทั้งปัจจัยจึงมี24ปัจจัยเนี่ยนะจึงมีกลุ่มเนี่ยนะก็แบ่งเป็นกลุ่มๆถ้าเรามองทุกอย่างเป็นกลุ่มๆนะเช่น ทุกอย่างมันเป็นไปตามปัจจัยปัจจัยมีอะไรบ้างองค์ประกอบคืออะไรบ้างถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เ ร, เราก็จะไม่เลยเถิดเราจะไม่เลยเถิดวิเคราะห์ทุกอย่างตามตามเป็นจริงเนี่ยนะตามเป็นจริงนี่การรู้ความจริงเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เนี่ยนะปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ Yale. ไม่ใช่การรู้ความจริงเหล่านี้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแต่การรู้ความจริงเหล่านี้เพื่อจะได้กำหนดรู้ทุกที่ควร กำหนดรู้จะได้ละสมุทัยที่ควรละจะได้ทำนิโรธให้แจ้งและก็จะได้เจริญอริยมรรตทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นเองเพีขอถวายพระพรแม้เพราะเหตุนี้เวทนาทุกอย่างหาล้วนเกิดโดยเป็นวิบากของกรรมแต่อย่างเดียวไม่ขอถวายพระพรขอพระองค์จงทรงยอมรับความข้อนี้อย่างนี้เถิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นผู้บรรลุพระสัพพัญญุตยานทรงเผาอากุศลได้ทั้งหมดนั้นทุกเวทนาไม่ได้ถือว่าเกิดจากกรรมพระเจ้ามีลินก็บอกษาทุดีจริงพระคุณเจ้านากเกษตรข้าพเจ้าขอยอมรับความข้อนี้ตามประการที่ท่านได้กล่าวแล้วนี่นะก็พระเจ้ามีลินทันทราบซึ่งของเราก็เอาเป็นว่ารู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วละ่ะ ยังข้อความในอัตถกถาอีกนิดหนึ่งในหน้า149ย่อหน้าล่างพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ว่าพระองค์ละอกุสลกรรมได้แล้วพระองค์ก็ยังต้องเสวยทุกขเวทนาอันเป็นผลของอกุสลกรรมทั้งหลายได้อยู่ตราบเท่าที่พระองค์ยังไม่เสด็จดับขันทัปปรินิพานซึ่งเป็นอกุสุลกรรมที่พระองค์ทำไว้ในอดีตชาติ ซึ่งคอยติดตามให้ผลเมื่อมันมีโอกาสถ้าได้ปัจจัยเนี่ยนะเขาบอกว่าเฉพาะเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6ที่เคยทําไว้เมื่อไหลาเป็นแสนแส น, แสนกลับก็ตามท่านบอกว่าเหมือนปล่อยสุนักสมมติว่านายทานไปล่าเนื้อในชะก็ปล่อยสุนักบอกสุนักตัวนี้แกจงตามเนื้อตัวนี้ไปตามทันที่ไหนแกก็กัดที่นั่นฉันใดไอ้เจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6กก็ฉะนั้นมันก็ติดตามไปเมื่อมันได้ปัจจัยมันก็ให้ผลเนี่ยนะแต่ถ้ามันไม่ได้ปัจจัยเช่น บุคคลนี้ประโยคะไม่วิบัติกาละไม่วิบัติอุปทิไม่วิบัติเป็นต้นอ่ะไอตัวนั้นมันก็ติดตามมาแต่มันกัดไม่ได้มันยังให้ผลไม่ได้แต่เมื่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาปับ๊บใครว่ากรรมเก่าก็ตามซ้ําลักษณะกรรมกรรมเก่าก็คือตามซ้ํารอยพรันอย่างอย่างบางคนก็บอกโอ้ทุกพวกจำนนต์ต่อกรรมก็เกินไปพวกปฏิเสธกรรมโดยส่วนเดียวก็ก็ผิดพลาดเนี่ยนะก็ต้ององค์ประกอบเยอะๆอนะะพันผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้อง โดยเฉพาะศึกษาอริยสัจให้ดีๆแล้วก็ศึกษากรรมมัสกาให้ให้เข้าใจไม่ใช่ไปโยนให้อันใดอันหนึ่งหรือปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็ศึกษาธรรมะที่ผิดพลาด ท, ทุกอย่างโยนให้กรรมหมดพวกที่ไม่ยอมไม่สนใจธรรมะบอกทุกอย่างปฏิเสธกรรมหมดนะ ท, ทีนี้ทํายังไงให้มันพอดีโดยที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องอนะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นคือเป็นมั้งไหม ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นองค์มรรคไหมเป็นเป็นสัมมาทิฏฐินะมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยขึ้นต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแปล ว, ว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องต่อโลกและชีวิตตามเป็นจริงเพื่อการกําหนดรู้เพื่อการละเพื่อการทําให้แจ้งและการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายนั่นจึงเป็นมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะ เขาบอกว่าส่วนอกุศลกรรมที่พระองค์ได้ละแล้วเป็นอกุโสลกรรมในปัจจุบันภนี้ที่อาจทําทุกขเวทนาให้บังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นพระองค์แม้ว่าทรงละอกุโสลกรรมทั้งหลายได้แล้วโดยเกี่ยวกับว่าไม่ทําให้เกิดขึ้นแต่พระองค์ก็ยังทรงอาพาธเจ็บป่วยเสวยทุกขเวทนาแม้เนื่องจากกรรมโดยตรงในคราว น, านั้นนนั้ได้เช่นคราวที่พระองค์้มีสเก็ดหินมากระทบพระบาทเป็นต้น อีกอย่างหนึ่งเพราะในคราวที่สเก็เหินมากระทบพระบาทนี้จะนับว่าเป็นทุกขเวทนาที่เกิดจากความพยายามก็ได้ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วคือใ ค, ใครพยายามทำให้พระองค์เจ็บพระเทวทัตชนีแลเนี่ยนะก็โยนให้พระเทวทัตไป